ที่นี่สถานีวิทยุกรอบกลัวก่าวสตอร fm. อฟเอรยหข้าพเจ้าพร ะ, ระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาให้ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อวันนี้เราได้ฟังเรื่องราว เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุมาณาสามเณรนะที่ท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีความเก่งกาจสุมาณาสามเณรนั้นที่เราได้ฟังกันไปแต่้แต่เมื่อตอนที่แล้วแล้วมาก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอนุรุท ธ, ธะแต่เป็นสามนเณรที่พระอนุรุท ธ, ธะเป็นผู้ดีบวชให้แต่คือภิกษุรูปเนินเช่นทัานพระสารีบุตร เราก็เคยฟังสามเณรของท่านพระสารีบุตรกันมาแล้วอย่งนะเช่นสุคขาสามเณรบฑิตสามเณรพวกนี้เป็นสามเณรที่บวชโดยท่านพระสารีบุตรเป็นอุปชาส่วนสุมานาสามเณรเนี่ยบวชโดยท่านพระอนุรุท ธ, ธะเป็นอุปชาแต่นะที่ท่านมารู้จักกันบวชกันได้เนี่ยก็เพราะว่าในชาติก่นอนนั้นใดเคยทําบุญสร้างกุศลร่วมกันมาถ้านะเกิดเป็นเศรษฐีชื่อ สุมาณะเศรษฐีส่วนคนที่อาศัยเศรษฐีอยู่ก็คื อ, น, อนายอนนภาระซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็คือท่านพระอนุรุตานั่นเองท่านพระอนุรุต้าพอบรรลุ ธ, ธรรมระลึกชาติได้ได้มารู้ถึงเหตุการณ์นี้แต่ว่าอ๋อฉันเคยเกิดในชาตินั้นเกิดเป็นอันนี้เราก็ได้อาศัยเศรษฐีชื่อสุมาณะนี้อยู่ลักษณะความรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น จุตูปปตาตาญาณแล้วก็บุกเพนิวาสานุสติญาณคือมีตาทิพย์ที่จะสามารถเห็นหมูสัตว์แต่ที่ไปเกิดตามกรรมว่าเป็นอย่างไรองไรทำชั่วมาไปเกิดที่ไม่ดีทำดีมาไปเกิดที่ที่สูงที่ที่สบายนะหรือว่าเมื่อชาติก่อนเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรอย่างไชาติก่อนนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้ท่านมีความรู้ตรงนี้ พระบาทดัชนพระอนุรุตานี่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากและเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องของการมีตาทิพย์เพราะเหตุการณ์นี้ระลิกได้ท่านผู้ฟังว โ, โอ้เราเคยอาศัยเศรษฐีชื่อสุมาณะเศรษฐีอยู่เนี่ยได้ทำบุญสร้างกุศลมาในกับนี้ชาตินี้จึงเกิดเป็นลูกกษัตริย์ชื่อบรรุทธะแล้วก็เลยมีความคิดที่จะอุปการะผู้ที่เคยอุปการะเรา ลักษณะความคิดแบบนี้คือเป็นคนที่มีความกระตันยูนะแล้วกระทําด้วยคือมีคาตาเวติตาด้วยมีทั้งความกระตันยูมีทั้งความคาตาเวติตาแล้ว ก, ก็จึงไปทําการสืบสวน่นไล่เลียงไปด้วยยานของตัวเองเนี่แหละว่าเอสหายเก่ากคือสุมาณะเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้ว ก, ก็เลยทราบว่าอ๋อไปอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามุนทะนิคม เมื่อพอรู้แล้วก็จะไปโปรโดไปสงเคราะห์กันนั่นแหละแต่โดยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้รับการอุปการะนเป็นอุปทาโดยบิดาของสุมาณะนั่นเองพอได้รับการอุปทาอุปถัมภ์กันแล้วแต่พ่อก็จะถวายทานอะไรต่างๆปรากฏว่าพระเถราท่านก็รับไม่ได้เพราะว่าไม่มีสามเณรคอยอุปทาคอยที่จะประเคนของอะไรต่างๆ ภิกษุเนี่ยสะสมของไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องบางครั้งบางทีมีสามเณรคอยช่วยทําการเหล่านี้ให้แนะพ่อของสุมาณะนั้นก็เลยให้สุมาะบวช ด, ด้วยแต่สุมาณะนี่ก็มีสองคนแหละพี่ชายกับน้องชายคนเกิดก่อนเขาเรียกว่ามาหาสุมาณะเกิดทีหลงังเขเรียกว่าจุลัสุมาณะแต่คนที่เคยเป็นสุมาณะเศรษฐีนี่คือในเด็กชายจุลัสุมาณะนี้แต่เคยเป็นเศรษฐีสุมาณะที่เคยอุปการะอันประอนุรุทธะ มาในใช่ก่อนๆนั้นนะพอตอนที่บวชเนี่ยตั้มวังนะโกนผมเท่านั้นแหละก็บรุเป็นพระอระหันต์ในเวลาที่ปลงผมเสร็จนั่นเองแต่สามนเณรรู ป, ปอื่นๆเช่นสุขาสามนเณรหรือว่าบัณฑิตสามนเณรเนี่ยก็บรรลุธรรมในเวลาต่อมาต่อมาเช่นวันที่7บ้างวันที่14บ้างแต่ว่าท่านสุมาสามนเณรนี่โอ้บรรลุธรรมแม้แต่กระทั่งตอนที่ปลงผมเสร็จน่ะเก่งมาก เราไม่ใช่บรรลุธรรมะธรรมดาธรรมดาแต่ยังประกอบด้วยความสามารถอื่นๆเป็นผู้ที่มีอริยมากคแต่มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระอนุรุท ธ, ธเกิดป่วยขึ้นมามีลมเสียดขึ้นในท้องต้องได้น้ําจากสาโนดานแต่ก็จึงไปเพื่อที่จะไปนําน้ําจากสาานั้นมาให้พระอนุรุท ธ, ธ ะ, ะปรากฏกจ็จึงเจอเหตุการณ์ที่เราได้เล่ากันถึงเมื่อวานนี้ทัางบังว่า พญานาคไม่ยอมให้เจนี่ใช้พังผานคือแม่เบีย้ยของตัวเองเนี่ยปิดสาเอาไว้เลยเหมือนกับฝาครอบหม้อปิดไว้อย่างนั้นจะลงไปเอาไม่ได้แต่จะให้ฟังเรื่องต่อกันตอนนี้เชิญมาฟังกันได้ก็แลครันประนวดแล้วพระอนุระุะเป็นผู้ปฏิบัติชอบทำให้แจ้งซึ่งวิชาสามโดยลำดับนั่งอยู่บนอาสนะเดียว สามารถมองเห็นโลกธาตุพันหนึ่งได้ทั่วด้วยทิพยศักสุดุดมองเห็นผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือท่านได้เปล่งอุทานขึ้นว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งบุพเพนิวาดทิพยจักสุเราก็ชำระแล้วเราเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นผู้ถึงฤทธเราทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ครบถ้วนแล้วดังนี้พิจารณาดูว่าเราทำกรรมอะไรไว้หนอจึงได้สมบัตินี้ก็ได้ทราบว่าเราได้ตั้งความปรารถนาไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่าปทุมุตตะดังนี้และทราบอีกว่าเราต้องเที่ยวอยู่ในสงสารกล่าวโน้น ได้อาศัยสุมาเเศรษฐีในเมืองพาราณสีเลี้ยงชีพมีชื่อว่าอันณภาระดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาว่าในการกรเราชื่อว่าอันณาาระเป็นคนเข็นใจเป็นคนขนหญ้าได้ถวายบิณฑบาตแก่พระอุปริตปัจเจกพุทธเจ้าผู้มียศดังนี้ ตอนพระเถระระลึกถึงสายเก่ากระนั้นท่านเกิดมีความสงสัยว่าสุมนะเศรษฐีผู้เป็นสายของเราให้กะหาพณะนะแล้วรับเอาส่วนบุญจากบินตาบดที่เราถวายแก่พระอุปริทตปัจเจกพุทธเจ้าในการนั้นบนัดนี้เขาเกิดที่ไหนหนอก็ในที่นั้นท่านได้ทราบว่า มีบ้านชื่อว่ามุนทนิคมอยู่ที่เชิงเขาใกล้ดงที่ตั้งขวางมีทางทะลุเข้าไปที่นั้นมีอยู่บาศกคนหนึ่งชื่อมหามุนทะเขามีบุตรสองคนชื่อมหาสุมนณะและจุลสุมนณะในบุตรสองคนนั้นสุมาณะเศรษฐีเกิดเป็นจุลสุมนณะ ก็แลครั้นทราบแล้วคิดว่าเมื่อเราไปในที่นั้นจะได้ประโยชน์ไหมหัานพิจารณาดูได้เห็นเหตุ น, ห น, นี้ว่าเมื่อเราไปในที่นั้นจุระสุมนณะซึ่งมีอายุเพยียงเจ็ดกวบจะออกบวชและจะบรรลุพระอาราหัสต์ในขณะปลงผมเสร็จนั่นเองนังนี้แล้วก็แลครั้นเห็นแล้ว เมื่อใกล้เข้าพรรษาจึงเหาะไปลงที่ประตูบ้านก็มหาหมุนทะอุบาสกรู้จักพระเถระมาก่อนท่านบวชเขาเห็นพระเถระในเวลากรางจีบอลมาบินดาบานก็บอกมหาสุมนะผู้บุตรว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าอนุรุธทธเถระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบาตรของท่านก่อนที่คนอื่นจะรับบาตรของท่านไป พ่อจะให้ปูอาสนะไว้มหาสุมณะได้ทำอย่างนั้นแล้วอุบาสกอังคาตพระเทระภายในเรือนโดยเคารพอาัตนากอให้ท่านรับคำจะอยู่ชำพรรษาตลอดสามเดือนพระเทระรับนิมนต์กรนัน้นอุบาสกปฏิบัติพระเทระตลอดสามเดือนเวลาเป็นเหมือนปฏิบัติ เพียงอยู่วันเดียวในวันมหาปวารณาจึงนำไตรชีบอและอาหารวัตถุมีน้ำอ้อยน้ำมันและข้าวสารเป็นต้นมาแล้ววางไว้ใกล้เท้าของพระเถระเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเถิดครับตอนไม่รับวัตถุกลับได้สามเณรพระเถระกล่าวว่าอย่าเลยอุบาสก อาตมาภาพไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อุบาสกท่านผู้เจริญมันเป็นลาบอันเกิดแก่ผู้อยู่จำบัญสาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับไว้เถิดพระเตระช่างเถิดอุบาสกอุบาสกทำไมท่านไม่รับขอรับพระเทระอาตมาไม่มีสามเณรผู้เป็นกัปปิยาการกกอยู่ด้วยอุบาสกท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้น มหาสุมนณะผู้เป็นบุตรของกระผมจะบวชเป็นสามเณรพระเทระอุบาสกอาตมาไม่อยากได้มหาสุมนณะอุบาสกท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจงใจให้จุลสุมนณะบวชเอิอพระเทระรับคำว่าดีแล้วจึงให้จุลสุมาะบวชจุลสุมาะนั้นบนรรลุพระอรหัต ในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองพระเทระอยู่ในที่นั้นกับจุลสุมนะสามเณรได้ประมาณกึ่งเดือนจึงลาพวกญาติของสามเณรว่าพวกอธตรมาภาพจะไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเพ้าไปลงที่กระท่อมกลางป่าในหิมมะวันตาประเทศตอนพระเทระปรารบความเพียรเสมอ โดยปกติพระเทระเป็นผู้ปรารบความเพียรเมื่อท่านกำลังจงกรมอยู่ในที่นั้นในคืนแรกและคืนต่อมาเกิดลมขึ้นในท้องคือเสียท้องคราวนั้นสามเณรเห็นท่านลำบากจึงเรียนถามว่าท่านก็รับท่านเป็นโรคอะไรพระเทระฉันเสียท้องสามเณร เมื่อก่อนท่านเคยเป็นไหมายกรับพระเทระเคยเป็นยูสามเณรท่านฉันอะไรจึงจะหายกรับพระเทระได้ฉันน้ําจากสานโนดาดก็หายสามเณรท่านกรับถ้าการณนั้นกระผมจะไปนํามาถวายพระเทระเธอไปเอาได้หรือสามเณรสามเณรได้กรับพระเทระ ถ้าอย่างไรที่สาวโนดานนาคราชชื่อปัณ ก, กะรู้จักฉันอยู่เธอจงบอกแก่พญานาคนั้นขอน้ำใส่หม้อมาเพื่อผสมยาสามแมเณรรับคำว่าได้แล้วจึงว่ายพระอุปชาแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาไปไกลเป็นระยะทางห้ารอยโยน์ตอนสามแมเณรต่อสู้กับพญานาคกวันนั้น พญานาคถูกรายล้อมด้วยเหล่านางนาคนักฟอนเตรียมจะเล่นน้ำพอได้เห็นสามเณรหอมาเช่นนั้นพญานาคก็โกรธเห็นว่าสมณะโล้นนี้เที่ยวโปรยฝุ่นเท้าลงใส่หัวเราสมณะโล้นนี้คงมาเอาน้ำในสาโนดาตบัดนี้เราจะไม่ให้น้ำดื่มแกเธอหนังนี้ จึงนอนใช้ผังผานปิดสะโนดาตซึ่งกว้างห้าสิบโยน์เหมือนคนใช้ถาดใบใหญ่ปิดหม้อข้าวไว้ฉะนั้นสามเณร เ, เห็นอาการของพญานาค ก, ก็รู้ว่าพญานากโกรธดันงนี้แล้วจึงกล่าวกาถานี้ว่าพญานาคผู้มีเดชกล้ามีกำลังมากจงฟังข้าพเจ้า จงให้น้ำดื่มแก่ข้าพเจ้าสักหม้อข้าพเจ้ามาขอน้ำไปผสมยาพญานาคได้ฟังคำนั้นจึงกล่าวกาถานี้ว่าณนะเบื้องทิศบุรพามีแม่น้ำใหญ่ชื่อคงคาไหลลงมหาสมุทรไปตักเอาน้ำจากแม่น้ำคงคานั้นสิสามเณรฟังคำนั้นแล้วคิดว่าพญานาคไม่เต็มใจให้ เราจะแสดงกำลังให้มันรู้ว่าเราก็มีอำนาจแล้วข่มขี่มันเอาน้ำไปดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านพญานาคพระอุปชายะให้ข้าพเจ้ามาเอาน้ำจากสาระอนุดาดเท่านั้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจะเอาน้ำนี่แหละหลีกไปอย่าห้ามข้าพเจ้าเลยแล้วกล่าวกาถาว่า ข้าพเจ้าจะเอาน้ำจากสาโนดาษนี้เท่านั้นข้าพเจ้าอยากได้น้ำจากสาโนดาาน่านพญานาคถ้าเรี่ยวแรงและกำลังของท่านมีเจิญท่านขัดขวางที่นั้นพญานาคกล่าวกับสามเณรว่าสามเณรถ้าท่านมีความกล้าหาญอย่างลูกผู้ชายจริงข้าพเจ้าชอบใจคำพูดของท่านยิ่งนะ เชิท่านมาเอาน้ำของข้าพเจ้าไปได้เลยลำดับนั้นสามเณ น, นตอบพญานาคนั้นว่าท่านพญานาคถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะเอาน้ำไปนะเมื่อพญานาคพูดว่าเอาไปได้ก็เอาสิให้พญานาครับรู้ถึงสามครั้งว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะรู้ซึง้งและกคิดว่าเราควรแสดงอนุภาพ แห่งพระพุทธศาสนาก่อนจึงนำน้ำไปดังนี้ที่แรกได้ไปหาพวกอากาสัทกเทวดาเทวดาเหล่านั้นมาไหว้แล้วถามว่าอะไรก็รับได้พากันยืนอยู่สามเองกล่าวว่าจะมีการต่อสู้ระหว่างข้าพระเจ้ากับปันนกะนากราชเหนือสาโนดานี่พวกท่านจงไปดู ใครจะแพ้ใครจะชนะสามเณนนั้นจึงเข้าไปหาเท้าโลกบาลทั้งสี่และเท้าสา ก, กะเท้าสุยามะเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมมิตะและเท้าวาสวตีแล้วบอกเนื้อความนั้นโดยทานอง น, นั้นแหละต่อจากนั้นสามเณรไปหาเทวดาอื่นๆจนถึงปรมโลกเมื่อปรมในชั้นต่างๆ มายืนไหว้แล้วถามว่าอะไรก็รับจึงแจ้งเรื่องให้ทราบเป็นนั้นว่าสามเณีนั้นไปบอกในทุกพบใช้เวลาชั่วครูเท่านั้นยกเป็นอาสัญยีสัตว์และอรูปประพรมเท่านั้นที่ไม่ได้บอกเทวดาทุกๆุกจำพวกฟังคำของสามเณีแล้วมาประชุมกันเหนือสา น, นดาตเต็มท้องฟ้า ไม่มีช่องบ้างเหมือนเศษขนมยัดไว้ในตะ น, นันตอนสามเณรเชิญเทวดาเป็นพยานเมื่อหมู่เทวดาประชุมกันแล้วสามเณรรออยู่บนอากาศกล่าวกับพญานาคว่านาขราชผู้มีเดชกล้ามีกำลังมากจงฟังข้าพเจ้าจงให้น้ำดื่มแก่ข้าพเจ้าสักหม้อ ข้าพเจ้ามาขอน้ำไปผสมยาที่นั้นพญานาคจึงกล่าวกับเธอว่าสามเณรถ้าท่านมีความกล้าหาญอย่างลูกผู้ชายจริงข้าพเจ้าชอบใจคำพูดของท่านยิ่งนักเชิญท่านมาเอาน้ำของข้าพเจ้าไปได้เลยสามเณรให้พญานาครับรู้สามครั้งลอยอยู่บนอากาศนั่นเองเนรมิตรตนเป็นปรมสูง12โยชน์ ลงจากอากาศเหยียบที่พังผ่านของพญานาค ก, กดให้หน้าความลงทันใดนั่นเองพอสามเณรเหยียบพังผ่านเท่านั้นแผ่นพังผ่านได้หดเข้าเหลือเท่าทพีดุดหนังสดถูกคนมีแรงมากเหยียบกดไว้ฉะนั้นรอบๆพังผ่านพญานาคมีสายน้ําสูงเท่าลําตาลพุ่งขึ้น สามเณรเอาหม้อรองน้ำดื่มจนเต็มในอากาศนั่นเองหมูเทพให้สาธุการแล้วตอนพญานาคแพ้สามเณรพญานาคได้รับความอับอายโกรธสามเณรยิ่งนักในตาสองข้างแดงดุดสีดอกชบามันคิดว่าสมณาโล้นี้เชิญหมูเทพมาชุมนุมกันแล้วตักเอาน้ำไป ทำให้เราขายหน้าเราจะจับแล้วเอามือล้วงปากขยี้เนื้อหัวใจให้แหลกหรือจะจับสามเณรที่เท้าเวี่ยงข้ามน้ำไปฟากโน้นให้ได้แต่งนี้เราจึงรีบตามไปถึงจะตามไปติดติดก็ไม่ทันสามเณรสามเณรมาถึงวางน้ำดื่มไว้ในมือพระอุปชาเรียนว่านิมนต์ดื่มเตยกรับ ตอนพญานาคพูดเท็จแต่สามเณรไม่พูดเท็จฝลายพญานาค ก, ก็ตามมาติดๆแล้วกล่าวว่าท่านอนุทุตะสามเณรขโมยเอาน้าซึ่งข้าพเจ้ายัางไม่ได้ให้มาอย่าดื่มนะพระเทระาถามว่าเป็นดังว่าหรือสามเณรสามเณรเรียนว่านิมนต์ท่านดื่มเถิดกรับ น้ำดื่มนี้พญานาให้แล้วกระผมจึงนำมาพระเทระทราบว่าขึ้นชื่อว่าสามเณรผู้เป็นขีณาศพย่อมไม่พูดเท็จดังนี้แล้วจึงดื่มน้ำนั้นทันใดนั้นอาพาธของท่านก็ระงับพญานากล่าวกับพระเทระอีกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถูกสามเณรทําให้ขายหน้าต่อหน้าหมู่เทพ ที่มาชุมนุมกันข้าพเจ้าจะขยี้หัวใจของเธอหรือจักจับเธอที่เท้าเวี่ยงข้ามน้ำไปฝากโน้นพระเถระกล่าวว่ามหาราชสามเณรมีอนุภาพมากนะท่านสู้สามเณรไม่ได้หรอกท่านจงขอโทษสามเณรแล้วกลับไปเถิดตอนพญานาคขอขมาสามเณรความจริงพญานาคนั้น รู้อนุภาพของสามเณรอยู่แล้วแต่ที่ตามมาเพราะความอับอายพญานาจึงขอโทษสามเณรตามคำของพระเตระเมื่อผูกมิตรกันแล้วเตือนกล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อต้องการน้ำในสาโนดาท่านไม่จำเป็นต้องไปเองขอให้ส่งข่าวไปข้าพเจ้าจะนำน้ำมาถวายเองแล้วพญานาก็กลับไป ส่วนพระเทระก็พาสามเณรเดินทางต่อไปพระศาสดาทรงทราบว่าพระเทระจะมาเฝ้าจึงประทับนั่งทอดพระเนตรการมาอยู่บนปราสาทของมิกรามารดาฝ่ายพวกภิกษุพอเห็นพระเทระเดินมาก็ลุกขึ้นต้อนรับรับเอาบาทรและจีวรตอนพวกภิกษุ ล้อเลียนสามเณรครั้งนั้นภิกษุพรางรูปจับสามเณรที่สีสาบ้างที่หูสองข้างบ้างที่แขนบ้างเขย่าเล่นกล่าวว่าไม่อยากศึกหรือสามเณรพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหล่านั้นทรงนำร้ำริว่าภิกษุเหล่านี้ทำกิริยาหยาบคายจริงจับสามเณรก็เหมือนจับอสสระพิษ ที่ขอเล่นหารู้อนุภาพของสามเณรไหมวันนี้ควรที่เราจะทำคุณของสุมาณะสามเณรให้คนรู้ฝ่ายพระเทระมาถึงถาวายบังคมพระาศาสดาแล้วก็นั่งอยู่ตอนพระเทระทรงชมสามเณรพระาศาสดาทรงทำปฏิสันต์กับพระเทระแล้วตรัสเรียกพระอนุเทระ มาว่าอนุน์เราประสงค์จะล้างเท้าด้วยน้ําจากสโนดาตจงมอบหม้อน้ําให้สามเณรไปนําน้ํามาพระเถระสั่งให้ประชุมสามเณรในวัดประมาณห้ารอรูปบรรดาสามเณรเหล่านั้นสุมนะสามเณรเป็นผู้บวชใหม่กว่าสามเณรทั้งหมดพระเถระ ถามสามเณรผู้แก่กว่าทุกรูปทุกรูปบ่าสามเณรพระศาสดามีความประสงค์จะทรงล้างพระบาทด้วยน้ำจากสานโนดาดจงนำหม้อน้ํานี้ไปตักน้ำมาสามเณรนั้นไม่ยอมไปโดยกล่าวว่ากระผมทาไม่ได้ขอรับพระเถระถามสามเณรที่เหลือตามลำดับสามเณรเหล่านั้น บางพูดบ่ายเบียงเหมือนกันหมดมีคําถามว่าก็ในบรรดาสามเณรเหล่านี้ไม่มีสามเณรผู้เป็นกีณาศพบ้างเลยหรือตอบว่ามีอยู่แต่สามเณรเหล่านั้นไม่อยากรับเพราะเห็นว่าพวงดอกไม้นี้พระศาสดาไม่ได้ทรงคล้องไว้ให้พวกเราพระองค์ทรงคล้องไว้ให้สุมาะสามเณรองค์เดียว ส่วนพวกสามเณรผู้เป็นบุตุชนไม่รับอยู่แล้วเพราะตนไม่มีความสามารถจริงๆในที่สุดเมื่อถึงกล่าวสุมนาสามเณรเข้าพระเถระกล่าวว่าสามเณรพระศาสดามีความประสงค์จะทรงล้างพระบาทด้วยน้ำจากสาโนดาดได้ยินว่าเธอนั่นแหละเอาม่อไปตักน้ำมา สุมาณะสามเณร น, นั้นเรียนว่าเมื่อพระศาสดาทรงให้นํามากระผมจะไปนํามาเมื่อถวายบังคมพระศาสดาแล้วก ร, ราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าพระองค์ให้ข้าโประงคไปนําน้ํามาจากสาอนุดาหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาสตรัสว่าอย่างนั้นสุมานณะสุมาณะสามเณร เอามือช่วยเอาม่อใหญ่ใบหนึ่งซึ่งจุน้ำได้หกสิบถังจากมอ้น้ำประจำตึกซึ่งมีเหลี่ยมขอบด้วยทองแท่งอันนางวิสาขาให้สร้างไว้หิ้วไปด้วยคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้บ่าแบกดังนี้ห่อขึ้นสู่เบหาบายหน้าตรงไปยังหิ ม, มะวันตะประเทศพญานาคเห็นสามเณรห่ อ, อมาแต่ไกล จึงต้อนรับแบกหม้อด้วยจงอยบ่าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อธาตเช่นข้าพระเจ้ามีอยู่เหตุชนไหนพระผู้เป็นเจ้าจึงมาเสียเองเมื่อต้องการน้ําเหตุใดจึงไม่ส่งข่าวมาก็พอเอาหม่อ น, น้ํานั้นแบกเองแล้วกล่าวว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเติกรับข้าพระเจ้าจะนําน้ําไปเอง สามเณนนกล่าวว่าท่านนาครราชหยุดอยู่ที่นี่เถอดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ข้าพเจ้ามาดังนี้แล้วให้พญานากลับเอามือจับที่ขอบปากหม้อเพาะมาทางอากาศดําดังนั้นพระศาสดาทรงเห็นเธอซึ่งกําลังมาตรัสเรียกภิกษุมาแล้วตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูการเยื้องกลายของสามเณรเธองดงามดุจพญาหงบินมาในอากาศฝ่ายสามเณรนั้นวางหม้อน้ําลงถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนอยู่ลําดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าสมณนะเธอมีอายุกี่ปีแล้วสามเณรกราบถุลว่าเจ็ดขวบพระเจ้าข้า พระศาสดาสุมนณะถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้เธอจงเป็นภิกษุเถิดแล้วได้ประธานยัชะอุปสมบทได้ยินว่าสามเณรผู้มีอายุ7ปีสองรูปเท่านั้นได้อุปสมบทวิธีคือสุมนณะสามเณร น, นี้รูปหนึ่งและโสปากะสามเณรอีกรูปหนึ่งเมื่อสุมนณะสามเณร ได้อุปสมบทแล้วตามราดําริษนั้นพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายน่าสะใจจริงสามารถเห็นน้อยมีอนุภาพถึงเพียงนี้อนุภาพเห็นป่านนี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตอนอายุน้อยก็เก่งได้เมื่อพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย ขณะ น, นี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเนอเมื่อพวกเธอกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสขึ้นว่าพิกษุทั้งหลายในาศาสนาของเราบุคคลแม้เป็นรุ่นหนุม่มหากปฏิบัติชอบแล้วก็ได้สมาบัติเห็นปานนี้เหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่า ภิกษุได้แลขณะยังเป็นหนุ่มภาคเพียรในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้น ย, ออย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุดดวงจันทร์ที่พลนแล้วจากเมฆฉะนั้นบาลีว่าโยหะเวถ้าโรภิกุยุนชาติพุทธศาสนโสอิมังโลกังปะภาเสติอัภามุตโตวัจันติมา ก็ในรราคมเหล่านั้นคําว่ายุนชันติแปลว่าภาคเพียนได้แก่ภาคเพียนคือพยายามอยู่คําว่าปาพาเสติแปลว่าย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างเป็นต้นหมายความว่าภิกษุนั้นย่อมอยังโลกมีขันธโลกเป็นต้นให้สว่างคือย่อมทําให้มีแสงสว่างเป็นันเดียวด้วยยาน อันสัมปยุตด้วยอาราตามักของตนดุดดวงจันทร์ที่ผลแล้วจากเรื่องกำบังมีหมอกเป็นต้นจานนั้นในเวลาจบเทสนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปฏิพนธ์เป็นต้นแล้วแหละเรื่องสุมาณสามเณรจบมีแค่สามเณรสองรูปเท่านั้นแหละทั้งหมดในสมัยพุทธกาลนะที่ พระพุทธเจ้าเลื่อนขั้นให้เป็นภิกษุไปเลยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20สหนึ่งในท่านนั้นคือสุมาณสามนเณรของเรานี่เองอีกท่านหนึ่งก็คือโซปากะสามนเณรนื่นเพราะว่าบวชมามีความรู้ความสามารถในระดับนี้เนี่ยล้วถ้าก็เดินมาเล่นหัวสัพยอกด้วยก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ละแต่ก็จึงให้บวชเป็นพระซะเลย แต่มี็นความพิเศษมีแค่สองท่านคือสุปนาสารมนเนรนี้ท่านหนึ่งแล้วก็โซปาการสามนเนรแต่บุตรมีฤทธิม์มากางนี้ในเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่สําคัญตรงนี้ต้องฟังคือคําตรัสของพระพุทธเจ้าดั่แม่บทที่ท่านตรัสเอไว้ว่าภิกษุใดที่ยังหนุม่มภาคเพียนในพุทธศาสนาอยู่ภิกษุนั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระชันที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกสว่างอยู่เช่นั้น นี่เป็นพุทธพจน์ที่เขาเอานิทานเรื่องของสุมาณาสามเณรมาเล่าเนี่ยก็เพื่อที่จะอธิบายพุทธพจน์ตรงนี้ในเราให้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วกลับมาที่ตัวแม่บทซึ่งพุทธพจน์ตรงนี้ในถ้าเราไปเซนะิร์ชหาค้นดูในตำราคำพีเนี่ยเราก็จะพบว่ามีจุดอื่นๆที่ใช้คำพูดนี้เหมือนกันเช่นตอนที่ท่านพระอหิงส ก, กะนัะคือท่านพระอังคุลิมาเนี่ยแหละนะ ท่านบรรลุธรมแล้วนั่งสวย ม, มีมุติสุขอยู่เนี่ยเกิความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในนั่งแบบชิวๆเย็นๆอยู่คนเดียวเนี่ยนะก็อุทานแต่งกลอนบทนี้ขึ้นมานกลอนยาวมากแหละแต่ว่าในช่วงคําหนึ่งก็จะมีพูดลักษณะนี้แหละว่าคนที่ยังหนุม่มพาเพียรในคําสอนของพุท ธ, ธะ ย, ย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างเปรียบเหมือนกับดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกและซึ่งคําของพระพุทธเจ้าเนี่ย ใครๆก็ทรงจำกันแต่ระวั ง, งเอาไปพูดเอาไปใช้ก็จะมีประโยชน์กันขึ้นมาในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีการแยกชั้นของข้อมูลให้ถูกต้องนะแต่ว่าส่วนนี้เป็นพุทธพจน์ตรงนี้แต่ส่วนนี้เป็นคําอธิบายหลังแล้วได้ความรู้กว้างขวาง ม, ม, มากขึ้นเราก็จะแยกชั้นของข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อดี่จะให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาในการที่จะทาให้เกิดการปฏิบัตินั่นเองและแต่ดันผู้ฟังยังมี คำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหน อ, องหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศนีก็4 1 1ห0หรือว่าทาสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เ i ียวธรรมะดพีย dha.mma.com ที่นั่นก็สามารถที่จะส่งคำถามคำเสนอแนะดาวน์โหลดข้ อ, อมูลไฟเสียงต่างๆเซิาาร์ชหาคีย์เวิร์ดฟังยอดหลังอะไรต่างๆสต่ีว็บบซต์นันสามารถทำได้ที่เปียวดามา .com วันนี้เวลาเราก็มีเท่านี้และทําวจฟังแต่เราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญปั